สิขาบทมิพัง649้อาคำว่าเมื่อยังเหลืออีกสิบวันคืออีกสิบวันจะถึงวันปวารณาคำว่าวันเพ็ญเดือน11ซึ่งเป็นวันครบไตรมาสท่านกล่าวหมายเอาวันปวารณาเดือน11ที่ชื่อว่าอจเกาจีวอนอธิบายว่าผู้ประสงค์จะไปในกองทัพประสงค์จะ ไปพักแรมต่างถิ่นเจ็บไข้สตรีมีคันผู้ไม่มีศรัทธาได้เกิดศรัทธาขึ้นผู้ไม่เลื่อมใสได้เกิดความเลื่อมใสขึ้นถ้าเขาส่งทูไปถึงภิกษุว่านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายมาเถิดข้าพเจ้าจะถวายผ้าจำนำพันษาผ้าเช่นนี้ชื่อว่าอาเจกะจีวอนคำว่ารู้อยู่ว่าเป็นอเจกจีวรพึงรับไว ท่าน ร, รับไว้แล้วควรเก็บไว้ได้ชั่วสมัยที่เป็นจีวรการคือภิกษุพึงทําเครื่องหมายว่านี้คืออัจเจกัจจีวรแล้วเก็บไว้ที่ชื่อว่าสมัยที่เป็นจีวรการคือเมื่อยังไม่ได้กรันกรถินมีเวลาท้ายฤดูฝนหนึ่งเดือนเมื่อกันกรถินแล้วขยายเวลาออกไปอีกเป็น5เดือนคําว่าถ้าเก็บไว้เกินกําหนดนั้นคือเมื่อไม่กรันกรถิน ให้เกินวันสุดท้ายฤดูฝนต้องอบัตินิสขยาปาจิตตีเมื่อได้กรานกระถินแล้วเก็บไว้ได้เลยวันกระถินดอกเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละอจเจกจีวอนที่เป็นนิสกีอย่างนี้